สมณศักดิ์พุทธศักราช2490ัรพระชนมายุได้34พรรษาเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโสมพลคนาภร์มีความหมายว่าผู้เป็นอาภรณ์หรือเครื่องประดับของหมู่คณะอันงามซึ่งเป็นราชทินานามที่ตั้งขึ้นใหม่สําหรับพระราชทานแก่เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นรูปแรก พุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2498ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่พระธรรมวราภร์ มีความหมายว่าผู้มีธรรมะเป็นอาพรคือเครื่องประดับอันประเสริฐซึ่งเป็นราชินนานามที่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับพระราชทานแก่เจ้าประคุณสมเด็จเป็นรูปแรกเช่นกันพุทธศักราชสองัรได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองคือรองเจ้าคณะใหญ่หรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระาศาสนโสพล มีความหมายว่าผู้งามในพระศาสนาหรือผู้ยังพระศาสนาให้งามพุทธศักราช2515ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญา น, นสังวรมีความหมายว่าผู้สํารวมในยานคือความรู้ซึ่งเป็นราชทินน า, นามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชากาลที่สองทรงโปรดให้ตั้งขึ้นใหม่ สำหรับพระราชทานสถาปนาพระญาณสังวรในวงเล็บสุขพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2,359 ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญานสังวรจึงเป็นตำแหน่งพิเศษที่โปรดพระราชทานสถาปนาแก่พระเทระผู้ทรงคุณทางวิปัสนาธุระเท่านั้นฉะนั้น นับแต่สมเด็จพระยานสังวรในวงเล็บสุขได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังคราชเมื่อพุทธศักราช 2,363 แล้วตาแหน่งที่สมเด็จพระยานสังวรก็ไม่ทรงโปรดพระราชทานสถาปนาแก่พระเทระรูปใดอีกเลยกระทั่งพุทธศักราช 2,515 นับเป็นเวลา152ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จึงทรงโปรดให้สถาปนาเจ้าพระคุณสมเด็จในตำแหน่งที่สมเด็จพระญาณสังวรเป็นรูปที่สองอันเป็นการแสดงให้เป็นที่ปรากฏว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระที่สมควรแก่ราชิ น, น, านามตํตำแหน่งนี้พุทธศักราช 2,532 ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในราชทินานามเดิมคือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชแทนราชทินานามสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาคือสมเด็จพระอริยวงศาคตายานทั้งนี้ก็เพื่อให้พระเกียรติคุณทางวิปัสสนาธุระของเจ้าพระคุณสมเด็จ ย enrolled, ังเป็นที่ปรากฏอยู่สืบไปแม้เ sí มื yes> ่อทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ไม่ได้ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แต่ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามพิเศษต่างไปจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์อื่นๆที่ล้วนได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามสาหรับตาแหน่งคือ สมเด็จพระอริยวงศาคตายานทุกพระองค์ส่วนสําหรับสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระบรมวงศาโนวงศ์นั้นมีพระนามเฉพาะเฉพาะแต่ละพระองค์ไปชีวิตในมัชชิมวัยของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นเป็นช่วงชีวิตแห่งการทํางานและสร้างผลงานซึ่งอาจประมวลกล่าวได้เป็นด้านๆคือด้านการศึกษาด้านการปกครอง ด้านการสั่งสอนเผยแพ่ด้านการก่อสร้างปฏิสังขรณ์และด้านการสาธารณสงเคราะห์